อาศัยกายกับอะไรโพธิภพเนีน่ยนะบวกกันก็เกิดอะไ ร, รากายวิญญาณคําว่ากายวิญญาณอ่ะ น, นะกายกับโพธิภพเกิดกายวิญญาณเพราะบางทีก็อยู่ใกล้กันอ่ยนะไม่ใช่ว่ามันอยู่ไกลกันอะไรที่ไหนใช่ไหมเช่นคันศีสะนะโพธิภพมก็อยู่ที่เดียวกันนะั่นแหละ หรือว่าปวดหลังเนี่ยนะกายก็อยู่แถวนั้นแหละโพธาภะก็อยู่แถวนั้นแหละเนี่ยนะคําว่ากายกับโพธาภะเขียนอย่างนี้เดี๋ยวไปคิดว่าไกลเหมือนทะวานตาเข้ายุ่งเหมือนกันไกลก็ได้ลอยมาเลยแต่ว่าจะรับต่อจริงๆต้องเมื่อติดเนี่ยนะนะถ้าไม่ติดนี่จะไม่รับรู้เพรันั้นเวลาเราดูทีวีไฟท่วมจอไปหมดเราจะไม่ร้อนเลยนะเนะนะี่ยทีนี้สามอย่างประชุมการนี้เป็นภาษาเนี่ยนะนะ ก็สัมปยุตตปัจจัยแต่ว่าเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุก ข, ขมสุขเวทนาเนี่ยที่มีผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยอันเนี้ยทั้งทั้งสหชาตะคือเกิดร่วมร่วมกันสองอนันตระแล้วก็อุปนิสยะ หมายถึงเน้นประตูปะนิสยะปัจจัยเพราะฉะนั้นผัสสะในครั้งนั้นอาจจะเป็นปัจจัยแก่เวทนาในครั้งหลังๆก็ได้น น, น, นสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่กามมติหาภาตันหา วิภาวะตันหาได้หมดเลยนะทุกคเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาสามทุกขมสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาสามเนี่ยนะอันนี้ถ้าจะเขียนให้มันเยอะหน่อยนะก็จะเขียนลักษณะนี้เขียนให้มันน้อยหน่อยก็เป็นปัจจัยแก่กามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยนะ ตันหากับอุปาทานมันอยู่ใกล้กันนั่นแหละนะกามะตันหาก็เน้นไปที่ตัวโลภะภวะตันหาเน้นคือตันหานั่นแหละแต่ว่าเน้นไปที่สัสตทิฐิวิภาวะตันหาก็ตันหานั่นแหละแต่เป็นตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิธฐินี่นะเพราะตันหาตัวตันหาเป็น ตัวโลผ้านะเป็นกามุ ป, ปาทานเตัวสัสตะทิฏฐิอุชเชธาทิฏฐิเป็นอุ ป, ปาทานสามกลุ่มคือทิฏฐุ ป, ปาทานแล้วก็เป็นอะไรอีกเป็นเหตุให้ไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นสีละภาพตุ ป, ปาทานแล้วก็เป็นอัตตวาทุ ป, ปาทาน ฉันไอจากสัสตติทิฏฐิอุเฉททิฏฐินั่นแหละเป็นเหตุของอุปาทานเหล่านี้ฉันตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยจึงเป็นเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอันนี้เขียนอีกในหนึ่งอีกในหนึ่ ง, งลักษณะนี้ว่ากามุปาทานเนี่ยเป็นอขอไปกามะตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานสี่เลยเป็นปัจจัยแก่กามุปาทานเป็นปัจจัยแก่ที่ถูกปาทาน เป็นปัจจัยแก่ศีและผ้ตุปาทานเป็นปัจจัยแก่อตตวาทุปาทานเนี่ยนะนี่กามุปาทานอย่างเดียวนะเป็นปัจจัยแก่กามมพบรูปประพบอรูปประพบพบตัวนี้หมายถึงกรรมอ่ะนะพันก็ปัจฉาติก็คือปฏิสนธิในอุปัาติภพอ่ะนะ ทำให้เกิดที่ไหนเจตนาที่เป็นกามก็ให้ผลเป็นกามเนี่ยนะเพาก็เป็นกามมาพบอีกเหมือนกันแต่เป็นประเภทอุบัติถ้าได้ฌานผลก็คือเป็นรูปประพรมถ้าได้รูปประฌานก็จะเป็นอรูปประพรมพวกนี้ก็เท่ากับเป็นชาตินั่นเอ ง, องนะอันนี้คือชาติชาติอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของอะไรอีกถ้าว่ารวมๆก็เป็นที่ตั้งของ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 นะก็มีกายอันใหม่ใช่ปกติถ้าอันนี้ก็คือทำเหตุใช่ทิ้งกายอันนี้ก็ถือเอากายอันใหม่ถ้ามีกายแล้วอันนี้สงฆ์คืออะไรชราและมรณนะเนี่ยนะนนก็เพราะว่าผลของกายก็คือนำมาซึ่งความตายอยู่แล้วเนี่ยนะถ้ามีกายนั่นแหละจึงชื่อว่ามีผู้ตายมีสัตว์ตายมีอะไรตายเนี่ยถ้าไม่มีกายมันจะตายได้ยังไงเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นวิวัตะนะทํายังไงเวทนาเหล่าเนี้ยจะเป็นปัจจัยแก่วิราคะวิราคานี่เท่ากับอะไรอริยมรรคเนี่ยนะตัววิราฆานี่อริยมรรคทายังไงเวทนานี่จึงจะเป็นปัจหรือว่าสำรำ ROC นะ ปกติท่านท่านแสดงอย่างนี้นะอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นภาษ า, าภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะสํารอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะสำรอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลื อ, อ, ต, ลอตันหาจึงดับนี่คำว่าตันหาดับนี่มันก็ต้องเป็นคําที่อธิบายอีกว่ามร์เนี่ยอยู่ระดับมร์ไหนโสดาปฏิมร์ สกทาคามีมัคอนาคามิมัคและอรหัตกรรมเนี่ยนะถ้าโสดาปฏิมาเกิดอุปาทานเหล่านี้ก็ดับใช่ไหมกรรมที่โดยเฉพาะอกุศลเจตนาที่นําไปสู่อาบายก็อ่ะ น, นะดับอะไรอ่ะ น, นะถ้าโสดาปฏิมาเกิดดับทิฏฐุปาทานศีลพัทโตปาทานอัตวาทุปาทาน ดับการมุปาทานประเภทผิดศีลออกไปทุกชนิดเห็นนีไอ้ก็ดับอุปาทานเพราะอุปาทานยังไดับนะอากุศลก็ดับในบางส่วนนะดับอากุศลเจตนาได้กี่ดวงพระโสดาบันดับทันทีเลยห้าดวงตัวตรงตรงเลยนะเช่นทิฏฐิขตะสัมปยุตสวิจิกิชาสัมปยุตหนึ่งและตัวอากุศลอื่นๆที่นำไปสู่อาบายเพราะฉะนั้นถ้า พบอันนี้ดับชาติคืออบายจะดับอบายสีเนี่ยนะดับหมดเลยแล้วอะไรดับอีกอมนุษย์ชาติที่แปดเนี่ยดับเอันนี้เป็นอันนิสงของโสดาปฏิมักเนี่ยนะอันนิสงของโสดาปฏิมักทำให้ดับมนุษย์กับดับอบายได้ถ้าอันนิสงของสกะทาคามิมัก ดับอคุศลเนี่ยเพิ่มตามกําลังนั้นนั้นตามสมควรเนี่ยนะก็จะเริ่มดับภพบต่างๆได้ตามตามสมควรที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นตันถ้าสิ่งเหล่านี้นะเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคได้อย่างนี้เนี่ยอคิเลตก็ดับเมื่อกิเลตดับกรรมก็ดับถ้ากรรมดับปฏิสนธิในภพต่างๆก็จะดับด้วยอาการอย่างงี้นะอันนี้พอให้เห็นเข้าโครงก่อนทีนี้ถามว่า ในการเจริญในการพิจารณาเนี่ยต้องลงมไปที่ไหนมากจึงจะดับพวกบาปอกุศลเหล่านี้ก็ลงมาที่เนี่ยกายโพธะภะกายวิญญาณผัสสะและเวทนาตามตามสูตรที่เราเรียนนะหลายๆสูตรวันๆก่อนเนี่ยที่เรียนมานะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะแสดงธรรมะเพื่อเพื่อสมควรแก่การเพิกถอนตันหามานะทิฏฐิ ก็บอกก็คือกล่าวอะไรกล่าวเนี่ยไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือโพธา an, ภาไม่ยึดถือกายญบิญญาณไม่ยึดถือภาษาไม่ยึดถือสุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ข์มสุขเวทนาที่มีกายะสัมผัสเป็นปัจจัยอะ่ะมันก็มารู้เห็นในสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้เห็นตามสมควรนะมันจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทีนี้รู้เห็นยังไงแค่ไหนจึงจะวัตถุเหล่านี้จึงจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณห า, านะพรองค์ก็ บอกว่าเอายกตัวอย่างที่ผ่านมานะเป็นของร้อนบ้างเป็นของมืดมนบั่งอนนะไรอนนะไร อ, อีกเป็นของร้อนบ้างเป็นของมืดบ้างถ้าสูตรก่อนก่อนโน้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะจริงๆอ่ะร้อนกับมืดมนก็คือเป็นคำอธิบายของคำว่าเป็นเป็นทุกข์นั่นเองอะนะ นั่นก็พยายามหาคำอธิบายโดยแง่มุมต่างๆเพื่อให้ตัดชั้นราคาในกายในโตภตาภะในกายวิญญาณในภาษาเวทนาเป็นต้นถ้าไม่ตัดชั้นราคาในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้วัตถุเหล่านี้มันมีชื่อของเขาตรงๆเรียกว่าสังโยชนียธรรมนะ เป็นตัวพวกนี้เป็นที่ตั้งของสังโยชน์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือเช่นการมราฆะสังโยชน์ภาวะราฆะสังโยชน์ทิฐิสังโยชน์มานะสังโยชน์เป็นต้นนะนะก็พวกนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าไปรอบรู้ไปวิจัยในสิ่งเหล่านี้จนละเอียดสังโยชน์ก็ไม่เกาะเกี่ยวคือไม่เป็นเชื้อเพลิงแห่งกิเลสนั่นเองนะนะถ้าถ้าทำปริญญาในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้จน จนบริบูรณ์จนสําเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยนะงนั้นผู้ที่จะทําเสร็จเนี่ยต้องต้องสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะสำคัญที่สุดก็คือเช่นว่าถ้าถ้ากายร้อนน่ยสมมติว่ากายเนี่ยร้อนก็ไม่ตั้งตั้งความหวังเพื่อให้มีกายะนะจะต้องไปหาธรรมะที่สงบจากกายให้ได้น้อมจิตไปเพื่อรู้ธรรมะที่สงบจากกายสงบจากเอ่อโพธิภาพสงบจากกายญาวิญญาณสงบจากผัญญสสะให้ได้ดงั้นไอ้ข้อปฏิบัติที่จเจริญ ในการมารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเจริญตรายศิกขาเพราะว่าพวกกายโพธภากายาวิญ ญ, ญาณนะผิดศีลจะไม่ผิดศีลก็อยู่ตรงนี้ก่อนจะปราชิกสังขาธิเสศตรายเนี่ยกายโพธภากายาวิญ ญ, ญาณอยู่แถวนี้แหละก็อยู่ที่การไปกระทบกับพวกนี้นั่นแหละเช่นว่าคลั่กลืนน้าลายเอือกเดียวนะอาหารเย็นหรือไม่ก็อยู่ตรงกลืนน่ะจะกลืนหรือไม่แค่นั้นเองก็กายทวานนั่นแหละยังไ หรือไปจับไปต้องเช่นท่าเนี่ยเขาบอกว่ามีอาบัติอยู่ข้องบอกว่าอยากคึกขนองแต่ว่าอย่เล่นนั้นผลไม้ที่อยู่ตามต้นนั้นไม่มีสิทธิจับจับไม่ได้จับเป็นอาบัติทุกกฎเพราะเล่นธุรุปัจินะทุกกฎอย่างนั้นนั้นถ้าก็คือการจับต้องอ่ะนะนั้นวินัยมันก็อยู่กายโพธิภิกายะวิญญาณก็อยู่แถวๆนั้นแหละเนั้นถ้าไปรักษากายเหล่านี้ไม่ให้ผิดศีลในก่อนใช่ไหม ทีนีพิจารณาการรับกระทบยังไงด้วยสมถะเนี่ยนะพิจารณารับกระทบยังไงด้วยวิปัสนาถ้าเป็นสมถะก็คือเน้นพิจารณานี้โดยปฏิกูลโพธภะก็โดยปฏิกูลเนี่ยนะถ้าเป็นสมถะนะตรงๆเลยถ้าพิจารณาในแง่สมถะพวกนี้กายกับโพธะภะก็ปฏิกูลนะกายญวิญญาณก็ถือว่าปฏิกูลเหมือนอะไรเหมือนกับว่า สมมติว่าเอาศพไปตากแห้งเสร็จเนี่ยนะแล้วเอามาทําเป็นเชือเพลิงอ่ะถามว่าเชือเพลิงอันนั้นเพลิงไฟอันนั้นปฏิกูลด้วยไหมนว่าอาสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยไปบีบเอาน้ํามันไว้หมดเลยนะแล้วเอาน้ำมันมาจุดเป็นเชือเพลิงอ่ะนะไฟที่ดูสว่างนั้นจะปฏิกูลด้วยไหมปฏิกูลถ้าพิจารณากายมากโพธิภพโดยความเป็นของปฏิกูลเนี่ยนะกายวิญญาณภาษาและเวทนาก็จะเป็นของปฏิกูลไปด้วย นามมาทมก็จะเห็นโดยความเป็นของปฏิกระนทั้งการพิจารณาอย่างนี้ก็น้อมไปเนี่ยร้อนนะมืดนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในในสภาพธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อเบื่อหน่ายอันนี้จึงจะเกิดเ็เมื่อเบื่อหน่ายไอวิราคะจึงจะเกิดนี่ถ้าวิรา่ะระดับแรกเป็นมรค น, นี้ละอันนี้พ้นจากสิ่งนี้ ถ้าเจริญอย่างนั้นอีกนั่นแหละมักอันนี้จะเกิดละอันนี้พ้นจากสิ่งนี้เนี่ยนะก็ในทาวารทั้งหกอันนะก็ไปเจริญแต่พิจารณาเอากันลวกันงั้นการอบรมไตรสิกขากับสิ่งนี้นจึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันตลอดนั่นแหละ น, นะ จำเน็ตอะไรมาวิจารมั่งวันนี้วันมะขะยังไม่มีเลยนะปุกาเป็นไงบ้างวันมะขะจะเจริญพุทธคุณจั สังฆคนเนี่ยนะจะเข้าใจมากหรือน้อยเนี่ย่วนหนึ่งนะในยุคสมัยที่เราไม่มีตัวอย่างโดยภาพเนี่ยเราจะเข้าใจมากต่อเมื่อเราคือหมายเนหนึ่งนยะเอาสุ ป, ปฏิปันโนมาจับไม่มีความชั่วทางกายทางวาจาและใจเนี่ยนะทันท่าเราเระลึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีความชั่วด้วยกายเรามีกายยโสเจริตสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีกายยโทุจริตเลย ท่านปฏิบัติดีทางกายอ่ะเรามีวจีทุจริตแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่มีวจีทุจริตเรามีการมวิตกพยาบาทวิตกวิเหงสาวิตกเป็นต้นนะเรายังนึกตําหนิคนโน้นคนนี้นะแต่ว่าภาษาวกท่านไม่มีเลยอ่ะเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นความปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยของท่านท่านไม่มีข้อหน้าตําหนิในกายวาจาใจาเลยแนมะ้แต่หน่อยเดียวเนี่ยนะของเราก็ปฏิบัติคด ด้วยอกบาปอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะของท่านปฏิบัติตรงะนะเนี่ยอุชุปฏิปันโนเนี่ยคือถามว่าตรงเนี่ยตรงต่อไหนตรงต่ออริยมรรคหมดเลยคืออัธยาศัยแนวความรู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยโน้มไปหาอริยมรรคมุ่งสู่ธรรมะที่สงบระงับจากสังขารของเราเนีย่ยังมุ่งไปหาเรื่องอื่นตั้งเยอะใช่ไหมคือคือมีมีจุดประสงค์ที่ไม่ไม่ได้ตรงที่เด่นชัดอะไรแต่ของท่านนี้มีวัตถุประสงค์ที่ตรงและเด่นชัดเลยนะ แล้วท่านเหล่านั้นปฏิบัติรู้ญายธรรมคืออริยมรรคกับพระนิพพานเนี่ยนะท่านเหล่านั้นแทงตลอดญายธรรมแต่เราก็ไม่ได้แทงตลอดญายธรรมอะไรเลยเนี่ยนะถ้าเอาให้ชัดก็คือท่านกําหนดรู้ทุกท่านละสมุทัยท่านทำนิโรธให้แจ้งท่านอ บ, บรมอริยมรรคของเรายังไม่ได้อ บ, บรมอะไรเลยแต่ถ้าแบบพิจารณาทวารตาเนะี่ยของเราเอาตาไปต่อตาอันใหม่แต่ของท่านไม่อะ่ะเนี่ยนะ ของเราเนี่ยเพลดิดเพลินในสีท่านไม่เพลดิดเพลินนะนะของเรานี้ขัดเคืองในสีที่ไม่น่าปรารถนาของท่านไม่ขัดเคืองนะนะของเราลุ่มหลงแต่ของท่านไม่ลุ่มหลงของเราหลงลืมสติแต่ท่านไม่หลงลืมสติเป็นต้นนะอันนี้ก็ถ้าถ้าจะพิจารณาก็เอาคุณธรรมเหล่านั้นนั้นมาจับนะนะในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกเนี่ยนะ เมื่อผู้ที่ปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจเหล่านี้นะปฏิบัติดีขนาดนี้ถามว่าคู่ควรแก่การกราบไหมเนีนะคู่ควรแก่การไหว้ไหมคู่ควรแก่ของต้อนรับคู่ควรแก่การเชื้อเชิญไหมเนี่ยนะทั้นก็เราก็สามารถระลึกถึงในส่วนเหล่านี้ได้อย่างสมมุติว่าวันนี้พูดถึงภาพหันหนึ่งพันสองร้อหิรูปท่านเหล่านั้นเป็นผู้ละบาปละกิเลสหมดแล้วอ่ะท่านเหล่านั้นไม่มีกิเลสเลยนะ ท่านเหล่านั้นมีความเคารพในพระพูเท่เจ้ามากเป็นผู้ที่มั่นคงในพระสัจธรรมนะ่นเราก็สามารถเอาหยิบมาเจริญได้เนี่ยนะแต่ถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลเลยนะเราเห็นจริยาวัดของพระสารีบุตรเห็นพฤติกรรมของพระสารีบุตรเห็นคําที่พระสารีบุตรพูดเนี่ยนะเราก็จะเห็นอัธยาสาัยก็เอามาเจริญไม่ยากนากัก น, นะแต่ถ้าสมัยนี้ก็หนึ่งส่วนหนึ่งก็เอามาเราเนี่ยเป็นเครื่องเปรียบอย่างหนึ่ง และอย่างหนึ่งก็เราลือกถึงไอ้ ious, ความปฏิบัติดีทางกายวาจาใจของท่านนะเพราะความปฏิบัติดีทางกายวาจาใจนั่นแหละเป็นศีลเนี่ยนะเพราะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีฮิริมีโอตตปะอย่างแรงกล้าเป็นผู้ที่ มีสติที่ไม่หลงลืมมีสัมปชัญญะที่มั่นคงเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปรารบความเพียนเนี่ยนะเป็นผู้ที่มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่คลุกคลีเนี่ยนเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติในการกําจัดบาปอกุศลเป็นผู้ที่ปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในภพทั้งมวลเนี่ยนะถ้าเราหมั่นและลึกลักษณะนี้เราก็จะเห็นสังขคุณมากขึ้นหรือถ้าเราทรงจําคําสอนได้นะ ก็ผู watering, ้ที่ปฏิบัติตามคําสอนนั้นๆนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์อย่างพระพุทธเจ้าให้โอวาตนะสัพปาปัสสะการนังกุสละโซปสัมปะทาสัจจิตตปฏโยธปนังเป็นต้น่สิ่งเหล่านี้พระสงฆ์ท่านปฏิบัติได้สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติได้ท่านปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยเนี่ยนะภาษารีบุตรท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นพระโมคคัลลานะพระม้ากัสปะเป็นต้นท่านก็เจริญกันอย่างนั้นท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นอันนี้เราก็พอจะเห็นสังฆคุณได้นะ แต่ถ้าในแง่ละเอียดในพวกเรื่องยาวมากก็คงจะเดพุทธคุณไปไปก็จะก็จะนําไปสู่ะะจะเห็นสังฆคุณชัดห น, น ะ, ะถ้าใค ร, รศึกษาพุทธคุณเนี่ยอย่างน้อยสุดนะพระพุทธคุณเนี่ยในความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสรู้พระธรรมเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นใหญ่ในธรรมเป็นผู้แทงตลอดธรรมเป็นผู้เคารพธรรมเป็นผู้บูชาธรรมเนี่ยนะ ผู้มีธรรมเป็นหัวหน้ามีธรรมเป็นใหญ่ทีนี้พระองค์เนี่ยเวลาไปที่ไหนพระองค์ก็แสดงธรรมประกาศธรรมอันนั้นก็มีผู้ที่ฟังธรรมเข้าใจธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลเหล่านั้นแหละเรียกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายอย่างเช่นเราทรงจําสติปัฏฐานสูตรได้ก็สาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหละปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตรเราทรงจำโอวาทปาฏิโมกได้สาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแหละเป็นผู้ปฏิบัติตาม โอวาตปาติโมกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีนะเราก็จะเห็นชัดแล้วผู้คือผู้ที่เจริญตามปฏิบัติตามเนี่ยนะครั้งที่ไปอินเดียเนี่ยผมอยากจะอยากจะพูดสังขคุณเนี่ยมาก น, นะถามว่าทําไมาจึงอยากจะพูดเพราะว่าถ้านึกถึงนะว่าจะกสมัยเราเดินทางไปเนี่ยนะสมัยผู้จการพระพุทธเจ้าก็จาริกพระพุทธเจ้าก็ไปเที่ยวแสดงทำให้ประชาชนตามท้องถิ่นเนี่ยบรรลุทำเหมือนกับว่าปูพรมไปเลย เนี่ยนะปูพรมให้เข้าบรรลุธรรมไปตลอดสายทีนี้ท่านเหล่านั้นอย่างสาวกที่เป็นพระสงฆ์ท่านตื่นเช้าท่านก็บินธบาตกลางวันท่านก็บําเพ็ญสมมธรามเช้าท่านก็บินธบาตเนี่ยนะหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นฆราวาสก็พากันใส่บาตรเย็นก็พากันฟังธรรมเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีเนี่ยนะมีหมู่บ้านไหนบ้างที่ไม่มีพระอาริยะเนี่ยนะในหมู่บ้านทั้งหลายมีพระอาริยะหมดเนี่ยบางหมู่บ้านพผ้านาคามีเกิน50อย่างเงี้ยนะ ไม่ต้องพูดถึงพระโสดาบันอันนี้กลุ่มคาราวาัตนะไม่ต้องพูดกลุ่มพระอรหันต์ไอ้กลุ่มบัณชิตนะ น, นะอันหมู่คาราวาตนะตามหมู่บ้านต่างๆมีพระอริยะมากมากจนไม่รู้จะมากยังไงเนี่ยอันเราก็สามารถที่จ ะ, จะเหวอเจริญสังฆคุณได้สบายๆเลยนะสมัยนั้นนะนะพูดถึงสมัยที่คนเขามีบุญแต่ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนโน้นประเทศไทยนะโอ้ไม้สักทองเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็มาย่าคาแต่ไอะไร ไมยาราบยืนต้นอะนะเรียกไม้อะไรนะไม้ชนิดนี้เตไปหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะที่อินเดียก็เหมือนกันนะนะสมัยก่อนนะผ้รารายะเตไปหมดเลยตอนนี้ก็อย่างว่ามันก็เตียนมันโล่งได้นะธรรมดากจะได้สังเวกับวัตถุนเนี่ยชัดขึ้ น, นจริงนะถ้าถ้าเราเจริญสังฆคุณมากๆเนี่ยจะเห็นคุณของผ้รารายะสงู์มาก แล้วก็หมู่ผ้าอริยะเนี่ยนะพอหลังจากาศาสนาเสื่มโทรมจากอินเดียเนี่ยหมู่ผ้าอริยะเกิดมากที่ศรีลังกาบางยุคบางสมัยเนี่ยนะไม่สามารถชี้หาปุตุชนได้เลยบางยุคนียหาไม่ได้เลยว่าทั้งเกาะเนี่ยมีปุตุชนอยู่มีแต่ผ้าอริยะทั้งนั้นแล้วถ้าโรงฉันหอฉันตามหมู่บ้านไม่มีอาสนะไหนที่ไม่มีใครบรรลุอรหันต์ในอาสนะนั้นๆเนี่ยนะเพราะวัฒนธรรมเขารักษาคําสอนไว้เป็นพันๆปี นะแล้วเป็นผู้ที่เคร่งครัดในคําสอนมา ก, ก น, นะ ก, ก็ทุกวันนี้ก็ยังได้ ย, ย, ไดยินกิติศัพท์ว่าเขาเคารพศาสนาเนี่ยมากแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงก็ยังเคารพนับถือกันมากนี่ถ้าหากว่าไม่มีไอ้ฝรั่งที่ที่ไปไปทําลายนะาศาสนาจะมั่นคงกว่านี้มากแต่แหมฝรั่งก็ขาดทุนชีวิตยับเยินเลยนะเกิดมาเนี่ยเสียหายคือหน้าสงสารนะนะ่ะหน้าสงสารมากกว่าจะหน้าอย่างอื่นนะ่ะ คือคือไม่น่าจะทำบาปให้ตัวเองมากขนาดนั้นเล ย, น, น, ยนี่นะก็เดือดร้อนอู่ครามโลกขั้งหนึ่งขั้นที่แล้วพวกคนหลังตายมากที่สุดได้ก็ก็คือหน้าน่าเห็นใจมากที่สุดเลยนะว่าทำไมเขาทำบาปกันชนิดที่เรียกว่าน่าเห็นใจมากนะคือถ้าถ้ามองในแง่ของคนที่รับวิบากนะเหมือนกับสมมตินะอย่างที่วันก่อนพูดถึงว่าถ้าทำแทงนะระหว่างหมออ่อแม่หมอกับเด็กในคภใครน่าสงสารกัน ของมานะก็บอกว่าเด็กเนี่ยสมควรกันเหตุแล้วแต่หมอกับแม่เนี่ยน่าสงสารว่าทำไมจะต้องไปเจริญรอยตามเด็กคนนั้นด้วยนะไปเดินตามปฏิปทาของเด็กคนนั้นอ่ะนะเพราะอนาคตตัวเองจะเป็นเหมือนเด็กคนนั้นแหลนะอะเพราะทำเหตุแบบนั้นเอาไว้ชั้นใดก็ดีนะผู้ที่ทำลายคำสอนก็ลักษณะเดียวกันว่าเขาชางหน้าเห็นใจจริงๆ เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนนะถึงรู้มากรู้น้อยอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของเขาแล้วถ้าเขานับถือนะเขาเคารพเขาบูชานะเขาก็เป็นวาสนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าผู้ที่ทําลายเนี่ยผมน่าการุณาเป็นอย่างมากนนะก็บอกว่าดื่มยาพิษยังไม่มีโทษเท่านั้นเลยพระอุบาลีท่านว่าเนะี่ยอสารพิษมีพิษร้ายแรงกัดก็ยังไม่มีโทษขนาดนั้นแต่ว่าแม้ผู้ที่ยิ่งทําลายยิ่งอะไรนี่น่าน่าการุณาอย่างมาก เพราะอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดทําให้พระพุทธเจ้าเสื่อมได้ไหมไม่ได้แม้แต่บุคคลจะปรงชีวิตพระองค์ยังปรงไม่ได้เลยนะสองมรรคผลนิพพานเนี่ยจะเสื่อมไหมก็ไม่เสื่อมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่เสื่อมพระษาวกภาษาดิบุตรพระโมคขลานาพระมหากระสปะเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็ไม่เสื่อมอยู่แล้วเพราะท่านสุขไปดีหมดแล้วท่านปฏิบัติดีท่านพ้นทุกข์หมดแล้ว แต่ถ้าจะเสื่อมก็คือนี่อานาถาทั้งหลายในยุคลังหลังเนี่ยอันนี้คือจะเสื่อมแน่ใช่ไนหะตัวเองก็หมดไปจากพระาศาสนาหมดไปจากกองบุญเนะชีวิตก็จมอยู่ในกองทุกข์แต่ถ้าใครที่เกิดมามีความสุขโดยมากะนะก็อาจจะมานึกถึงทุกข์ไม่ออกอะนะแต่สําหรับที่ใครที่เดินชีวิตที่ใช้ผ่านมาเนี่ยเดินบนน้ํากุหลาบซะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเห็นภัยมากะนะแต่ถ้าใครชมแต่ดอกกุหลาบมากก็อาจจะไม่เห็นภยัยนะ่ไ หรือใครปารบสังเวกับวัตถุมากคนนั้นก็เห็นภัยที่ใครที่ไม่เห็นสังเวกับวัตถุกก็ไม่เห็นภัยนะมันก่อนตามนี้นิตบอกไลนะบอกว่าผมนี่เห็นทุกวันอยู่แล้วว่างั้นได่ไมจ๊ะอาจารย์เห็นอย่างนั้นทุกวันหรือเปล่าคุณตุเจนเห็นวัลกี่ศพดิอ๋อวรศพเลอ๋อวันศพวรศพวรศพแล้วได้อะไรมั่งจากวันศพ อ, อเราก็ยังคือเราเนี่ยจะต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้ยอมรับอยังเอ้แล้วเราจะต้องไปตายอย่างนี้อีกกี่ครั้งนะตารกแบบนี้ไหมเอ adas, แล้วเราจะต้องตายอย่างนี้อีกกี่ครั้งเนี่ยเอาไปฝังอีกกี่รอบนอเนอะนะศพแล้วศพเล่าศพแล้วศพเล่านะแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะที่เห็นภายพราว่าถ้าไม่เห็นภายนะไม่เห็นภายในสิ่งเหล่านี้จิตที่คิดจะออกก็ไม่มีเมื่อจิตที่คิดออกไม่มีนะ น, นั่นแหละคือที่มาแห่งการไม่ปฏิบัติตามคำสอนเพราะสําหรับบุคคลผู้ไม่คิดจะออกจากวตาเนะี่ยที่จะมาบําเพ็ญไตรสิกขาไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ที่เขารักษาศีลทั่วๆไปรักษาไหมอาจจะรักษาเพราะต้องการพบเป็นต้นแต่ที่จะบําเพ็ญอธิศีลสิกขาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีเนี่ยนะที่จะมาเจริญมาอบรมเนี่ยไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะ แล้วก็ผู้ที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนในยุคนี้นะถึงจะเจริญได้มากเออขอภยัยถึงจะเจริญได้น้อยแต่ก็ถ้าเทียบกับทั่วๆไปแล้วนะที่ได้เจริญนี้ก็เป็นบุญวาสนาอย่างอย่างอย่างมากเลยนะซึ่งจะหาคําเปรียบไม่ได้แลนะ้วในยุคนี้นะซึ่งที่จะได้มีโอกาสได้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบคําว่าปฏิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคืออะไรถ้าตั้งคําถามนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในโลกนี้คืออะไร ก็บอกว่าข้อปฏิบัติใดที่เป็นไตเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงนั่นคือข้อปฏิบัติที่ชอบในโลกนี้อย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติสอนอธิศิลศิกขาก็คือคําสอนที่สอนให้กําจัดความโกรธนั่นเองคือท่าหนึ่งนะถ้าเธอรักษาอย่างนี้เธอจะไม่โกรธเลยเพราะจะไม่มีเรื่องให้สบายเสียใจเลยใช่ไหมถ้ารักษาศีลดีะนะจะไม่มีความเครียดแม้แต่หน่อยเพราะทุกทั้งหลายไม่ได้เกิดจากการรักษาศีล เกิดจากความทุศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะถ้าปฏิบัติตามศีลหนึ่งกำจัดความโกรธได้ข้อ2ถ้าเจริญสมถะกําจัดราคะได้ถ้าเจริญมิปัสนาก็กําจัดอวิชชาได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติชอบในโลกนี้คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อกําจัดความโลภความโกรธและความหลงนั่นเองนั้นปฏิบัติตรงๆ ต, ต่อความโลภความโกรธความหลงก็คืออธิศีและศิขาที่จิตสิกขาและ ที่ปัญญาศิกขานั่นเองเนี่ยนะมันก็นี่นี่ลักษณะของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะอันของเราที่อย่างน้อยที่สุดก็มีโอกาสนับถือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้คุณธรรมเหล่านี้ที่นําออกจากทุกทั้งหลายเหล่านี้อ่า น, นะได้ยินได้ฟังคําสอนที่ออกจากทุกเหล่านี้ได้รับรู้ศึกษาประวัติเรื่องราวของผู้ที่พ้นทุกเหล่านี้อันนี้ก็เป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยนะก็คือจะเป็นปุเพตะ ปุบเพกตปุญญาตาในในภพต่อต่อไปอีกนะถ้าภพนี้เรียกว่าแม้ฝั่งมันอยู่ไกลเลือเกินเนี่ยนะแล่นเรือเร็วขนาดไหนก็ยังทะเลอยู่ดีนะจะแล่นเรือเร็วขนาดไหนเอ๊ะทําไมมันไม่ถึงฝั่งสักทีหนึ่งนะเอ๊ะทำไมหันกลับไปก็ยังเท่าเดิมเท่าเดิมเนี่ยนะก็แสดงว่าเรือมันไม่ค่อยแล่ น, น, น